เะเทรศนาถึ่งเรื่องชีวิตเกยนของน้อยเพื่อให้ตัดเตือนเพื่อให้มีสติสามารถเอวังตัง้งจิตให้มั่นคงต่อไป <c oughs> <c oughs> ในบาหลีเป็นเทศนาวะาโฮลตามาตันดิตัง ชีวิตตังอุปโรชติคุณทธิีนมิโวดังถึงแปกขวาว่ า, <c oughs> าหรวตามธาธนิตังอันคือวันคืนล่วงไปล่วงไป <c oughs> ชีวิตตังประโรชติชีวิตก็เงามเหมดไปสิ้นเปลืองไป คุณท่าเทียมีโอดกังเปรียบเหมือนกับ น, น้ำที่มีน้อยอยู่ในรอยโค้พันที่จะเสื่อมพันที่จะแห้งด้วยแสงแดดท่านมาอย่างนั้นชีวิตของคนเราเป็นของหน้าเสียดาย <c oughs> ในวันหนึ่งวันหนึ่งซึ่งมันหมดไปเปลืองไปโดยวันเวลานาทีวินาทีหมดไปหมดไปวันเวลานาทีวินาทีาทาทาเป็นเครื่องวัดชีวิตของคนเรา <c oughs> หมดนาทีหนึ่งล่วงไปก็เรียกว่า หมดไปแล้วตลอดถึงนาทีนาทีตลอดถึงชั่วโมงหมดไปหมดไปเสื่อมสูญชิ่นไป <c oughs> <c oughs> แปลว่าคนผู้ที่เป็นเจ้าของชีวิตนั่นเองลืมคิดหนักถึงเรื่องมันหมดไปเสื่อมไป พริงว่าหน้าเสียไดย้คุณค่าของชีวิตยังตัวงเราให้เป็นอยู่เรียกว่าคุณค่าของชีวิตแต่ว่ามันค่อยเสื่อมไปเสื่อมไปทีละนิดละน้อยเสื่อมไปโดยไม่รู้ตัวเราไม่เห็นเกอนการเสื่อมสูวนชิ้นไปเปียกเหมือนกับน้มัน เปรียบมันก็น้ำน้อยในโล่ลอยโคถูกแสงแดดย่อมผันเสื่อมสูญไปฉะนั้นห น, น้ามันยังไกลไปเปรียบมันก็น้ำมันมีจินอยู่ในถังเปิดก็แล้วย่อมหายไปหายไปเราไม่รู้จัก ว่าชีวิตของเราหายไปหมดไปเมื่อชีวิตหายไปหมดไปก็ยังเหลือแต่ถั ง, งเท่าไหร่คือตัวของเรายังเหลือแต่โครงกระดูกยังเหลือแต่ซากศพนั่นเลยเรียกว่าเหลือแต่เครื่องาพาดชนะที่ใส่ทน้ำมัน ชีวิตต่างหายไปแล้วคือมันตายไปตายไปนั่นเองผู้ประมาทยอมลืมคิดถึงตัวของตนมันหมดไปหมดไปมันได้อะไรบ้างที่มันหมดไปหมดไปนั้นเราได้ทำคุณงามความดีอะไรให้ไว้แก่ตัวของเราบ้า ถ้าหากเป็นผู้ไปประมาทคิดถึงชีวิตทั้งหมดไปเราตั้งสติมั่นคงสติมั่นคงแมวแน่ลงไปถึงชีวิตมันหมดไปตัวสติของเรายังคงอยู่คือคุณงามคนดี คดีอะ น, น, นั้นหมดชินไปล้วมีชีวิตยอยู่ชั่วคู่คณะหนึ่งก็ตามหากว่าเราสติตั้งมัน่นมารักษาควบคุมจิตของเราอยู่ได้ไม่ให้กวัดแกลง้งไม่ให้ดิ้นหล่นไม่กระเสือกกระสนหนที่ต่างๆรี่ว่าเราคุมสติอยู่ นันเรียกว่าสติมั่นคมชีวิตมันเป็นอยู่ธรรมดามันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเสื่อมสูญสิ้นไปธรรมดาคนเกิดมาตั้งร้อยปีพันปีกระช่างเถอะก็ได้ชื่อว่าตายทุกวันทุกวันนั่นแหละจะไม่ตายไม่มีคนที่มีสติตั้งมั่นอยู่ น, นันะไดคุดค้าของชีวิตตายแล้วไม่ได้ทำอย่างนี้รหรอกมดเลือกยังมีน้ำสติที่เรารักษาไว้ดีแล้วเวลาจะตายยังกระซับกระสายเลือดร้อนวุ่นวายด้วยความไม่อยากตายอะไรอวรนศีลหนึ่งต่าง ทัณฑสติที่รักษาอยู่ดีๆเนี่ยเวลวจะตายจริงๆนะจากมันไม่ได้อย่างนี้หรอกอย่างเรากล้าหารอาถารพ์ว่าตายอย่างนั้นอย่างนี้เราจะรักษาสาติไว้อย่างนี้น อ, ยนนอย่างนี้ให้มันคงทาวอนเพราะันเป็นความพลาดคะเนก็ดีอยู่เพื่อความกล้าหาร จะจนต่อสู้กับอันตรายคือความตายเต่วเวลาตา ย, ยาจริงึ่ง <c oughs> มันไม่เป็นอย่างนั้นมันต้องเสื่อมไปทีละนิดละหน่อยเนการเจ็บการปวดโดยการทุรนทุรายโนย่องการ ท, ร ท, รารารที่เราไม่ได้ทำความเพียพรภาวานา ผลอบรมอะไรมัวจะเก็บแต่ไข่มัวจะป่วยสติก็ต้องอ่อนลงไปตามธรรมดาคนที่จะมีสติกล้าหารต่อสู้ของตายน้อยนะกโดยมากมีแต่เสื่อมลงไปความตายเวลาตายจริงๆจยงมันเป็นอยานะ่าง้ ใช่มีความกล้าหาญอาณาจักรทะเลเก่าเถือ่อมีวิชาความรู้สักเิ์าะเลเก่าเถือ่อเห็นนั้นจริงว่าในเมื่อจะตายนั้นมันเสื่อมสูญไปหมด มันจะงเหลือแต่วมกระสับกระสา่ายยังเือได้วมกระวนกระวายยังเหลือแต่ขีเลตทันทีเราละแล้วเราละเราถอนเดยวทุกันทุกวันนั้นนะ่ะอันนัมันจะกลับฟื้นคืนมาเป็นผลให้เราหยึดถือผู้มีสติมันคง ดำลงไว้ซึ่งจิตของเรา น, นที่มันคงนั้นป็นของน้อยนักน้อยหนามัานจังว่าผู้มีสติตั้งมัน่นในเชื่อว่ามีอายุยื น, ยนคนที่ มีอายุตั้งรลายปีแต่หาก็ประมาทเกิดความประมาทเสียล่มหลงมัวเมาโดยวัตถุเอาของด้วยบ้านโดยช่องเรือนชานสิ่งต่างๆมดเมาไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างติดของหมดทุกอย่างเราเรียกว่าผู้ประมาท มีอายุตังร้อยปีไม่มีดีอะไรเลยสู้เด็กเกิดขึ้นมาในวันนั้นแต่เขามีสติมั่นคงยังดีกว่าการมีสตินี้ ทุกแห่งทุกคนนี่ทุกศาสนาทุกสถาบันสติตั้งมั่นเลยเลยชมเชยในท่านชมเชยทั้งนั้นเนี่ยสอนสติอันเดียวไม่มีอะไรหรอนอกจากสติแล้วเชะมีคนรู้สามารถอ่านใช้หันเท่าไหร่ก็ตามถ ถ้าขาดสติแล้วนี่ชื่อว่าหลงแต่ตามตำรับตำราหลงแต่ตามความรู้วิชาแต่ขาดการรักษาตัวคือสติที่รักษาสติต้องรักษาตัวสติแล้กวก็ผู้รักษาสติแล้วว่ารักษาตัวเอง สติหมายในโยเกอภิชชาเดวรัสสังทันเทศนาวะสติเนเครื่องระลึกได้อยู่นี่แหละนางับเสียซึ่งโทมนัสอคิชชาได้โทมนัฏธวัมในโลก <c oughs> เราจึงควรที่จะรีดเล็ง อายุชีวิตของเราปานนี้แหละทุกคนอย่างน้อยก็สักยี่สิบสามสิบปีก้นไปีย่ว่าตายไปหมดแล้วยี 23, ่0ิบสามที่ปีอันที่ยี่0ิบสามที่ปีนั้นไม่ใช่อะไรหรอกคือมันตายนับแต่ความตายไปอันที่ยังเหลือยังไม่มีใครนับได้สักคนเดียว แค่นั้นอันที่มันเหลืออยู่ไม่มีใครนับได้จึงงมมืออยู่ทังเรื่องอันมันเหลือนี้ตามมาตั้งสติกำหนดจิตรักษาจิตของตดอยู่ทุกเมื่อเชื่ออย่างเป็นผู้ไม่ประมาท เป็นผู้ขยนันมันเพียรพยายามประกอบด้วยสติอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นนนทางพ้นจากทุกเป็นน้นทางพ้นจากบ่วงแห่งมารพ้นจากเครื่องผูกมัดของมารพ้นยังได้ถ้ามีสติมาแต อะไรจะมาโผู่มัดไม่ไ ด, ไได้ถ้ามีอัตติทั้งว่ามันก็มีหลงไห น, นนั่นแหละเรียกว่าหมานไม่ไม่สามารถจะมองเห็นได้ดวมานคือสติเองคือไม่มีสติดวมานคือความรุ่มหลกคือความประมาทเพลิดเพลินในกาบคุณฑังหาเรียกว่าดอกไม้ของมาน เสียงขีร่รถโพทิพะดอกไม้ของมานเราไปชมดอกไม้ของมนงานาั่นคือเครื่องล่อของมานเครื่องอ่อยของม <c oughs> เาเมื่อไปชมดอกไม้มันก็มันก็ดักเอาตรงนั้นทีละถ้าหเห็นลูกก็จะดักออกตรงนั้นนะเพื่อเพลินดีพอใจ ลมหลวง ม, มองความาดตัวนั้นแหละไปถูกบ่วงมาแล้วหงุดหินเสียงมันก็ดากเัาตรงนั้นฮะที่ชอบใจไม่ชอบใจอะไรต่างๆถูกบ่วงวม ห, หมวดกินรดโกรธพระธรรมลมทั้งหมดทั้งดีเลยชั่วเรียกว่าถูกบ่วงความหมาดทั้งนั้นเราทุกคนได้ชั่ว ไม่มีสติได้ชัวรถูกบ่วงเข้ามาแล้วเวลานี้แล้วผู้ที่ชาวเทศกา้พวก อยากคนจากทุกต้องการคนจากทุกฟังเรื่องสการมอย่างนี้แหละถ้าหากว่าผู้ต้องการคนจากทุกปาตตนาอยากคนจากลไม่ดําเนินตามนี้ก็ไม่มีทางที่จะดําเนินไปได้พังไม่สาวจะดําเนินทางไหนอย่างคารว่าไม่ใช่พระชเชนิลไม่ใช่บ ป, ประชาผู้ที่อูในพุทธศาสนา เมื่อต้องการพ้นก็ต้องดมเนินตามอยู่เหมือนกันจะไปไหนพ้นจากนีออกจากมีมันมีทางไหมเป็นพระเป็นเลนยอยู่ถ้าไม่ได้ไม่ดำเนินตามน้อยนี้ก็ได้ชิวะาพราไม่ผิดแปลกอะไรกับคารวะเครื่องวัดของพระและเครือร่องวัดของคารวะ อยู่ตรงนี้แล้วคารวาจจะเป็นพระเขาเป็นตรงนี้แล้วพระจะเป็นคารวาจจะเขาเป็นตรงนี้แล้ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นจงพาการตั้งสติกำนดจิตให้คิดเจรณาอย่างนี้และอยู่ด้วยความไ ม, ม่ประมาณก็อาจจะถึง หลุดพ้นได้ถึงไม่หลุดพ้นก็เรียกชื่อว่าเบาบางลงไปเห็นจิตของตนเบาบางลงไปได้รับความเยือกเย็นเป็นสุขเอาละวาเนี้ที่อธิบายมาว่าเทื่องชีวิตวเรื่องของน้อยก็หมายความเทื่องมรณาตีนั่นเอง ให้พิจานาวมนาสติว่าสิ่งใดที่มันตายกายของเราเนี่ยมันมีสิ่งใดที่ตายพิจารณาถึงเรื่องวัดทุสิ่งหรืส่วนนี้แต่มันตายไปตั้งแต่มือแต่เท้ามันเย็นมันซามันเย็นมันเน็บมันซามันเย็นเดยตายไป ทสิ้นทุกส่วนตายไปตายไปหดไปหดไปมันตายไปยังอุ่นอยู่ถึงหัวใจอุ่นโดทางการ อ, อกุกนั้นอุ่นตรงนั้นกรลมหายใจตรงนั้นแนะ่ะถ้ามันียน็นมัดจะไม่มีลมหายใจความอบอุ่นมันเป็นเครื่องให้เกิดลมหายใจความอบอุ่นนั่น ขาไม่มีอบอุ่นแล้วลนะ่ะมันก็เย็นหมดไม่มีลมหายใจไม่มีลมหาใจแล้วีานั่นตัวใจแท้ไปไหนขานี่ใจแท้มันก็ไปตามเรื่องของกรรมความเป็นกลางๆนั้นถ้าหาว่าหมดหามาใจแล้ว มันอยู่ไม่ได้อันเกิดใจนั้นเรียกวลย่ลมหายใจ้องหายใจจะจิ้มอยู่พ่อมีลมมันยังคอยอยู่ในนั้นข้งหมดลมแล้วก็ไม่มีไม่มันก็ไม่อยู่ที่นั้นเที่ยว่าบลมหายใจถ้ากรรมดีมันก็ไปติดกรรมมาชุ่วกรรมชั่วก็ไปติดกรรมชั่วนะจ๊ะ อ, อันนั้นอันที่รักษาไว้ไม่ได้ เมื่อเรามีสติอยู่ดีๆที่นี่ก็รักษาตรงนั้นแหะถ้าอยู่ ก, กลางนั้นนหะเมื่อเราหายใจมดเราไม่มีทางอะไปตามเรื่องเห็นนั้นถ้าหากเรารักษาสติควบคุมจิตอยู่ได้อยู่ตรงกลางเมื่อมีสติอยู่เมื่อเราหายใจมดไปก็อยู่ตรงกลางนั้นโดยอำนาจ กำลังจิตมีพระดังเพียงพอมันทึงไม่หวั่นไหวเมื่อหวั่นไหวเอ็นเดียงไปทางไหนมันก็โค้งอยู่คนที่แต่ถ้มาเมื่อมันไม่ไปตามกรรมชั่วกรรมดีแล้วมันจะเกิดไหนมันก็หมดเรื่องความเกิดมันก็ไม่มี นันแะต้องให้รักษาตรงนั้นะพิจารณาความตายบางตนส่วนไหนมันตายมันหมดมันหมดลมไปมันเหยียดไปบันการไปทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหะให้หมดให้พิจารณาตรงนั้นนะจนกระทั่งจิตแน่วแน่จริงๆอันาังในเมื่อเรามีสติอยู่ชีวิตยังอยู่นี่แหละ มันจะไม่ปรากฏเลยกายเ็าจะไม่ปรากฏจะปรากฏติดใจเอตรงนั้นแนหะตรงกลางๆกันนะมันสาบันหายไปไหนม่นปรากฏเฉพาะไม่ปรากฏเลยในตนัวของเราความสุขความสบายเกิดขึ้นมาจากจิตที่มาไปยึดในสิ่งใด เป็นของโลกของว่าเป็นสิ่งที่ปรารถนาอย่างยิ่งคําว่าปรารถนาแล้วเป็นคําพูดในตอนนั้นมีปรารถน า, าเลยในหมวดเครื่องแล้วไม่มีปรารถนาจึงใร้พิจารณาตรงนั้นแหละพิจนารณากัน <c oughs> ที่ เราข้อนาวอะไรทำไมมีเรื่องอะไรทำไมพิจารณาอะไรก็นพิจารณาไม่มีเรื่องอพิจารณาอันนั้นเป็นเพราะเราเพ้อสืบไม่รู้จักที่พิจารณาแท้จริงมีอยู่ของเรามีอย่วดเรื่องทั้งหลายนี้ถ้าหากเอาปัญญาไปสอดสอมม่องไปพิจารณา พอจะเจอพวกของมากมนี่ไหที่ไ่นเหตุนั้นจรงว่ะเราเมาตั้งใจปฏิบัติฝึกหัดแล้วทุกผู้ทุกคนจงน้อมเอาสิ่งเหล่านี้จงน้อมใจเข้าไปพิจารณาสิ่งทั้งหลายนี่แหละนอกจากเราพิจารณาแล้ว นอกจากเราจะพิจารณาแล้วไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดที่เราจะทำเรียกว่ามาทำความเพียรภาวนาเลยคือในพิจารณาเท่านี้ก็ พ, พอให้เห็นชัดเจนแล้วกันเรียกว่าเราภาวนาพิจารณาเท่านี้แหละเหตุนั้นเองละให้ตั้งใจอุตสาหวิทยะประกอบวิพาเวียรติทำโดยความไม่ประมาทจ เห็นอำ น, นาจอันนี้ของการพิจารณานังอธิบายมาอย่างนี้ค่อยทำใจให้สงบค่อยผ่อนลมหายใจให้อ่อนๆลมห้ค่อยๆลงจนจับจิตได้คือว่าลมหายใจทั้งพอลล่อนลงก่อนะมันก็อารมณ์ต่างมันก็ค่อย ผ่อนลงตามเราจึงจับเอาอาการนั้นแนหะอาการที่มันผ่อนลงนะการ น, นดลงแน่วแน่ลงอย่ง น, นี้นะน่ะคำว่าอารมณ์อารมณ์มันก็สมกันคือมันมีลมมันเองถ้าลมผ่อนก็ผ่อนตามยากความเจ็บความปวดต่างๆนะั่นขั้นลมหายใจอดทนจุดกั้นลมหายใจ อดหรอลอง่อน้องพ่อนลองจุดคันลองหายใจมันก็หายค่อยหายค่อยเบาไปอันนี้เราจะจับลมเราจะจับอาอการของใจมันพอน่อนอย่างนั้นแล้วก็จับอาการนั้นอย่าไปถือเอาลมให้ถือเอาผู้รู้ผู้ผู้มันจะงบนะผู้มันอยู่คงที่นะไม่มีอะไรหรอก นอกจากนั้นไม่มีอะไรถึงมีก็ไม่ประโยชน์คนตายไม่เห็นมีรู้สึกอะไรมันมีคนเป็นอยู่ยังไปรู้สึกเหตุนั่ น, นตัวนั้นผู้รู้นั้นยังมีอยู่ผู้รู้นั้นสำคัญกว่าจริงอื่นหมดจึงค่อยจับผู้รู้นั้นคนเดียวจริงอื่นมันก็วางไปหมดคำนดอย่างนี้จึงจะได้ความสงบ อืมดี